1ิบก้าการพิจารณาตัวเราแบบแยกองค์ประกอบปัญญาเป็นความฉลาดของจิตไม่ใช่ความฉลาดของตัวเราบางคนเป็นด็อกเตอร์แต่ว่าไม่มีปัญญาในทางาศาสนาบางคนไม่มีความรู้ในวงเล็บทางโลกเลยแต่มีปัญญาในทางาศาสนาพุทธเพราะนิยามของปัญญาคือเห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเราถ้ามีปัญญาจะสามารถช่วยตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ คนฉลาดในเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ปัญญาในทางธรรมไม่มีปัญญาที่จะพ้นทุกจริงๆมีแค่ผลัดผ่อนความทุกไปชั่วครั้งชั่วคราวฉะนั้นความฉลาดในทางโลกกับทางธรรมไม่เหมือนกันฉลาดในทางโลกก็รู้จักหาอยู่หากินหาผลประโยชน์ไปวันหนึ่งวันหนึ่งได้มาแล้วก็หมดไปแล้วก็หาใหม่วนเวียนไม่รู้จักจบนี่ความฉลาดทางโลกอยู่กับโลกปัญญาทางธรรม คือการเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์ถ้าเมื่อใดจิตมันเห็นไม่ใช่เราเห็นนะถ้าเราเห็นเป็นความฉลาดทางโลกถ้าจิตมันเห็นถึงจะเป็นปัญญาทางธรรมะนั้นเรากับจิตเป็นคนละอันกันมาเรียนใหม่ๆจะสับสนว่าทำไมเป็นคนละอันกันอย่างนี้เรารู้หมดใช่ไหมเราฟังธรรมะเรารู้หมดเลยแต่จิตไม่รู้ด้วยเราเรียนธรรมะว่ากายเป็นทุกข์จิตเป็นทุกข์แต่จิตไม่เชื่อ จิตยังหวังว่ากายจะเป็นสุขจิตจะเป็นสุขนี่จิตมันไม่เชื่อเพราะฉะนั้นจิตกับเราไม่เหมือนกันเราฟังนิดหน่อยก็บอกว่าเราเชื่อแล้วยอมแล้วขอให้บรรลุมรรคผลนิพพานเราเชื่อแล้วแต่จิตไม่เชื่อด้วยทีนี้อาศัยเราป้อนข้อมูลให้จิตดูทุกวันคือมีสติรู้กายมีสติรู้ใจตรงตามความเป็นจริงไปเรื่อยมันจะรู้ตรงตามความเป็นจริงได้ใจต้องตั้งมัน่นใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นปรากฏการณ์ไหลผ่านมา จิตเป็นแค่ผู้สังเกตการไม่เข้าไปแทรกแซงรู้แล้วจบลงที่รู้รู้บ้างไม่รู้บ้างก็ไม่เป็นอะไรเราป้อนข้อมูลให้จิตดูทุกวันทุกวันมันจะเห็นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าพองยุบอะไรนี่ยกเท้าย่างเท้าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจะมองเห็นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเพ่งอยู่ที่ร่างกายมันจะไม่เกิดปัญญา เพราไม่มีใจที่ตั้งมั่นเป็นคนดูมีแต่ใจที่เป็นผู้เพ่งฉะนั้นถ้าใจยังเพ่งอยู่ไม่มีทางที่จะมีปัญญาพ้นทุกได้จริงหรอกต้องมีใจเป็นผู้รู้ผู้ดูใจเป็นแค่ผู้สังเกตการ์ใจตั้งมั่นสักว่ารู้สักว่าเห็นตั้งมั่นอย่างมีความสุขด้วยไม่ใช่ตั้งแบบแข็งแข็งตั้งแบบแข็งแข็งจะไม่มีความสุขใช้ไม่ได้จริงหรอกตัวมันจมความทุกข์อยู่มันจะพ้นทุก์ได้ที่ไหนตัวมันจมอยู่กับความทุกแท้ แต่ถ้าใจตั้งมั่นอยู่เฉยๆมีสติระลึกรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายพองยุบเห็นร่างกายยกเท้าย่างเท้าอะไรก็แล้วแต่หรือเห็นเวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆมุนเวียนผ่านมาในกายในใจเวทนาไหลในกายก็ได้ในใจก็ได้เห็นกุศลอกุศลไหลผ่านให้จิตไปรู้เห็นอย่างนี้ใจสักว่ารู้สักว่าเห็นปัญญามันจะเกิด คือมันจะเห็นว่าสภาวะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ตัวเราร่างกายที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุที่จิตมาอาศัยอยู่และจิตไปรู้มันเข้าร่างกายที่หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเรา oh ร่างกายที่พองที่ยุบไม่ใช่ตัวเร า, ป เ, ราเป็นสิ่งซึ่งจิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองอยู่ต่างหากกันกายกับจิตมันแยกออกจากกันกายกับเวทนากับจิตก็แยกกัน กายเวทนาสัญญาสังขารกับจิตก็แยกกันแล้วแต่จะแยกมากแยกน้อยอย่างน้อยต้องแยกให้ได้ได้สักคู่ก็ยังดีถ้าแยกได้แล้วจะเห็นสภาวะแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นไม่ใช่ตัวเราท่านเปรียบเทียบเหมือนรถยนต์มีรถยนต์จริงๆหนึ่งคันจับมาถอดเป็นชิ้นๆล้อรถไม่ใช่รถยนต์พวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์เบาะ ก, ก็ไม่ใช่รถยนต์จะพบว่ารถยนต์จริงๆไม่มี สิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็เหมือนกันถ้าจับมันมาถอดแยกธาตุแยกขันออกไปก็จะพบว่าแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราความคิดนึกปรุงแต่งกุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราจิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ตัวเราพอแยกออกมาเป็นสภาวะแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นจึงจะเห็นว่ามันไม่ใช่เราถ้ามันมารวมกันแล้วมันเป็นเราถ้าเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้นะวันหนึ่งใจจะยอมรับเราค่อยรู้ค่อยดูของเรานะ วันหนึ่งใจค่อยยอมรับความจริงมันจะตัดสินความรู้ของมันมันจะถอดถอนความเห็นผิดออกไปบางคนถอดออกมาบางคนแหวกออกไปมีหลายแบบใจก็จะค่อยฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเพราะเข้าใจธรรมะเบื้องต้นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราเวลาเราย้อนมาดูกายดูใจนะจะเห็นกายเป็นเปลือกอะไรอันหนึ่งเท่านั้นเห็นอยู่อย่างนั้นแหละเห็นคนข้างนอกก็เป็นเปลือกแต่ละอันกลวงกลวงข้างในกลวงกลวงเพราะจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรา เห็นทุกอย่างกลว ง, งไปหมดเห็นความว่างที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ความว่างนี้เป็นมหาสุญญาตาไม่ใช่ความว่างแบบช่องว่างพวกเราไม่เห็นปุถุชนจะไม่เห็นความว่างชนิดนี้แค่รู้สึกรู้สึกพอรู้สึกได้บ้างยังเราไปอ่านหนังสือเซนบางทีเรารู้สึกแปลกๆใครเคยรู้สึกไหมเหมือนมองโลกแล้วมันหวงหวงอย่างไรชอบกลอั น, นั้นพอเหมือนๆ เ, เพราะมันยังหมายอยู่